ลองทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมโลกเราม่หั อ, อกกันเดียวกันจากวันจากเรือนลางานลาการมามาถือบวชมาปฏิบัติจากเดือนไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ได้มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วย มีอยู่ในคำภีตำลาด้วยไม่ใช่ลมลมแรงแรงพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสางเง้อโต้ตุนเป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคนเราก็ได้ความจิตกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาทั่วโลกกันเป็นวันสาคนของโลกวันวิสาขบาูชานะี่ปานี้ พระพุทธเจ้าของเราคงจะงองต้นสีมหาโพอย่างไม่ไกระพิปตาเสวยมุติสุขเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพ้อมพระธรรมสมบูรณ์แบบทำอันใดที่ทำให้เกิดการตัดสรูปขึ้นมาทำยังไงได้บทเรียนจากตัวเองไม่มีครูสอนเมื่อก็เราสวดเมื่อกี้นี้สติปัฏฐาน กายานุปัจนาเวทนานุปนัจนากิตตานุปัจนาธรรมานุปัจนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาบนเพ็นดังกิจแล้วก็ร้จวดจริงเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้รู้ด้วยกายก็สอนให้เราหลงก็มีกายก็สอนให้เรารู้ก็มี เวทนาก็สอนให้เราหลงก็มีเวทนาสอนให้เราลูก็ะมีจิตสอนให้เราหลงก็มีเป็นทุกข์เป็นสุขเพราะของจิตก็มีธรรมสอนให้เราหลงสอนให้เราลูก็ะมีก็ได้บทเรียนไปจากของจริงคือร่างกายนี่ปฏิบัติอย่างนี้เป็นหนึ่งก่อนจึงมามีตําราทีหลังเรียกว่าประไตรปิฎกมันมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นมาทันที ทำมนเทำให้เกิดกาตรตัดสู้โลกวุริสุดวบริบุญเสินเชิงมีอัฐะมีพยัญชนะออกมาพูดมาสอนผู้คนได้นับจากนี้ไปประมาณเดือนกว่ า, วาจึงได้แสดงทำกำลังวางแผลจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครูอาจารย์ก็ไม่สอนแม่ไปแสาหาครูอาจารย์ที่ใดอุตสกาดาบทอราธาดาบท ท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้มาเป็นการตัดสู้เองโดยชอบขึ้นมาจะเอาอย่างไงดีในเวลานั้นประเทศอินเดียมีลัทธิแน่นหนามากมีกษัตริย์พรำแพทย์สูตรจันทานในคนที่มีวันรณะถือกันมากแล้พวพระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้าผมเจี๊จะโกนผมทิกนู่งของฟาดไม่ใส่เครื่องประดับตกแต่งอะไร มันก็แปลกที่จะไปสอนใครก็วางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราในเวลานี้มีที่ล่องรับเยอะแยะการเผยแพร่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่มีวัดวารามมีสำนักสารูปเป็นพระเป็นสงฆ์บาสุกบาจิกาวัาดวารามแต่ขณะที่พระองอยู่ในสีมหาโพธิ์นสวยบุติสุขก็วางแผนที่จะไปทำไง มองหาคนที่จะบอกจะสอนใครหออจะมารู้เรื่องนียจึงมองเห็นเป็นเจ้าขิธีที่เคยอยู่ด้วยกันมาคงจะพอฟังไนดะ้เดือนกว่ า, วาเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพาราณสีตามไปกระเสไปเพราะพาราณสีนี่มีอิสิปตันนับลุคดายวันเป็นที่ของพ า, ามของ หรือสีขีภัยทั้งหลายที่ไปอยู่อาศัยที่นั้นห่างจากพราหาศ์สีไปวันเข็ดกมก็ตามไปขณะที่เดินทางออกจากพุทธคยาจากการตัดสู้สีมหาโหด น, นแล้วไม่พูดรายละเอียดนะก็จำ ม, มาเนาะแต่ว่ามีหลักฐานน่าจะพูดว่าเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ท่านผู้ฟังไม่ดุนเดา เดินทางออกจากศรีมาโผมีอุปการชีวกคนดั่งเห็นก็เกิดท่าเรื่งใสอยากถามก็ถามดูทำไมสานะตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสงาราสีให้เหมือนสนะกอื่นๆก็ อ, อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านจึงมีผิวผันณผ่องใสอีกนักนะครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านแต่ม่นั้นก็อวดกันเรื่องครู เมื่อเจอกันก็พูดทุกหว่าเราเป็นพรามเราเป็นกษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตระกูลนั่นตระกูลนี้คูของเราคือครูทั้งงบอะไรก็ว่ากันไปคู่เกิดใจนะอะไรครูทั้งงบเราเคยเรียนมาจำไม่ได้เมื่อเพื่อุปกรารชีวคนนั้นถามอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนครูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาพระพุทธเจ้าก็ เราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราปบกาชิวกะแ ล, ะล็บดินใจเลยเมื่อรุนไล่หนีไปคุยโวกันไไม่ฟังเลยแทนที่จะได้ฟังธรรมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไม่เป็นด่วนรับด่วนเปรเจดทาพูดแบบนี้ไม่ชอบปบกาชีวก็นั่นก็ อันหลังหนีไปต่างเงินได้บทเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้เราพูดมากเกินไปหนีเงินไปเดินไปถึงปัญจวิชีเลยเดียวตอนไปพบที่แรกเห็นปัญจวิชีอยู่ปัญชีหนีไปเลยไว้าจาได้จ่ายเวียนกว่ากว่าเดืะสํานะมากๆมาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลวไปหนีไป เดินไปที่ถึงอิสิปตนะร ะ, ะบาดไปพักที่นั่นพระเจ้าก็ตามไปอีกพอตามไปอีกเอาความปัญจุขีทั้งห้าก็เอามาอยู่แล้วอำนาจมากๆามาอยู่แล้วเพราะเราอยาสนใจแต่ะจะนั่งก่อนั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้อนรับอะไรเจ้าไปเดินไปถึงขณะที่ปัญจุขีนั่งคุยกันอยู่สนทนากรรมกันอยู่ ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวิชีดูขอนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียงผูตัดจิลูกเองไม่ใช่กำ น, นั้นแล้วดูก่อนปัญจวิชีเราได้ตัดจรูกโดยโชคเราจะบอกปัญจวิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาเลยเพราะโกนทยาผามเราก็โรคเป็นสัตบ์รุษเป็นบรรพบุรุษของเรา ดูก่อนดูก่อนวังเราตะดจูแล้วอ๋ อ, อคำว่าได้ยินว่าตัดจะรู้โคนเดยาพามหันหน้ามาใส่ส่วนวัปปะพัฏิยะมหานามอัจฉิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยอ๋ออาจนะไปกูให้นั่งให้แสดงธรรมอ่าก็ปรากฏว่าวันนั้นเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอัญญากุณัญญะ การเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือนแปดเว่าวันอาสาบุญชานับจากเดือนหไปถึงเดือน8แนปดในวันเดือนหกหัวเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลําดับอัญญาโกนทะยารูกก่อนบปพปัตยามหานามะลูกที่หลังที่หลังสี่วัน5วันสิวันเจวันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีรัตระสาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบุญแบบ องค์จึงได้เชื่อว่าสัมมาสังกัปโตสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้มีหลักฐานการเที่ยวมาปฏิบัติทําะไรอย่ามาเชื่อเราให้ทําตามคําสอนของพระเจ้าโน้นเราจะบอกวิธีให้รู้เรื่องธรรมะที่พระเจ้าแต่จะรู้ไม่ใช่เราวิเศษกว่าพระเจ้ามาลู่มาเห็นด้วยกันน่ะมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรื่อนี้มันจะเป็นยังไงประเทศชาติผู้คนมนุษย์ทั้งหลาย จะกลับไปหันหลังเข้าไปหาสามห้าพันปีร้อยพันปีมันก็ไม่ไหวแล้วเราต้องเจริญเข้าหน้าแล้วทุกวันนะ่ะอย่างลูกตาพูดวัน ก, ก่อนว่าถ้ายังทุกอยู่ล่าสมัยถ้ายังโกรธอยู่ล่าสมัยถ้ายังหลงอยู่ล่าสมัยเขาไม่หลงเขาไม่ทุกเขาไม่โกรธแล้วทุกวันนี้เราจึงไปกันก็สอนอยู่เท่นั้นในที่สวดมีจักขีพยานเฉลยขึ้นมา ปัญจะผีทั้งห้าอยู่ไปเองไม่นานเอา้าเอศากุณบุตรเป็นลูกเสือถีในภาราศีนั้น<ม>ล้องออกมาตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยทุกหน่อทุกหน่อกออกจากภาราศีหมืองลาอิสิปตนนะเพราะที่นั่นเหมือนที่ปลดปล่อยทั้งจักราราสิง ใ, ใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตราย เมืองพาราสีกันอาไว้เป็นที่ปุดป่อยของสัตว์ทั้งหลายสำนักฤาษีชีภัยมาใช่กันยาศากุลบดก็ลูกก็เดินมาอาจจะมีฤาษีชีภัยอยู่แถวนี้บ้างทุกหนอทุกหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกรมอยู่ประมาณนี้ขานวลดูนะมโนภาพนะตอนเช้ามืดยาศากุลบดออกหนีจากบ้านมาไม่ให้ใขลูก มื่อวันที่กำลังคนกำลังหลับมาก็มาถึงอิจิปันะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินตั้งที่เป็นลูกเศรษฐีควรคนเดียวก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่ยากพระเจ้าโดนจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกหนอไม่ทุกที่นี่ไป่วุ่นวายที่ี่ไม่มีทุกมาที่นี่เถิด แจ้าจ่าควรบทได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตนถอดรองเท้าเดินเข้าไปเจ้ากูจงกมอยู่ก็แสดงทำใม้ฟังในอนุภพิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพอกชีวิตจิตใจมันเพื่อนมาด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายชีวิตของยาสระจึงออกมาเป็นการพูดทุกหนอทุกห น, กหนวุ่นวายหนอ เหมือนชอบเสื้อผ้าที่บังเปเื้อนมาผู้เจ้าก็แสดงธรรมานุบุพิกถาเหมือนกับซักให้บริสุทธิแล้วขอย้องไมให้ธรรมเทศนานั้นที่เสร็จโปวดยาา่าสาวคนบดในที่สุดยาา่าสาวคนบรก็ได้สําเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญพีเข้าไปแล้วบิดามารดาบริวารของยาา่าสาวคนบดไม่เห็นตามหา ว่นวายกันเอาเท่านะคงจะไปอีสิโน่นละ่ะใครก็ไปโน่นเธอโน่ น, นก็มาก็มาเห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดพ่อก็จําได้บิดาของยาศกาุลบทเศรษฐีจําได้นี่รองเท้ายาศกุลตามเข้าไปไาเห็นยสศกุลบทบวชเสร็จแล้วนั่งร่มพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐี บ, บิดามารดาเพื่อนของยสศกุลก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โผล่ ยาสะกุลโมจน์ทั้งภรญญาเก่าด้วยนะไปด้วยกันนะพระเจ้าก็แสดงทำก็ได้เกิดเรื่องสายชะธาเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้นภิกษุภิกษุณีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยสัแม่ของยสักรัญาของยาสะ พ world, men, ่อในมวพระเจ้าพ่อหมู่สงปัญจคียศไปฉันทีบ้านโปรยพ่โจมทั้งหลายเพื่อนของยศกุลบุตรเห็นยสศบวชเอ้ามาถือบวตอีกสี่สิบห้าคนเออมันก็เคิขึ้นมานี่หลักฐานใครล่ะนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญจคียสะกุลบุตรเพื่อนจศกุลบุตรนับจากนั่นไปอีก พระพุทธเจ้าได้สั่งให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารพวกเราไปได้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนั้นบเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเจค้คนถ้าเสียงนี้ไม่เป็นความจริงให้บอกไปสอนผู้คนทั้งหลายที่เขาหลงเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้เรื่องนี้เข้าไปไายเธอไปเธอพวกเราอย่าไปทางละสองรูปนะให้ไปทางละรูป แยกย่ยากันไปเราก็จะไปยังอุรุเวลาเสนาในคมคือราชคฤห์ที่ได้นัด ก, นกันกับพระเจ้าพิมิสารสมัยเสียถะออกทรงปรหนวดจึงเป็นเมืองกษัตริย์ด้วยกันพระเจ้าพิิสารกับพระเจ้าสโตทะละเป็นกษัตริย์ด้วยกันกองบ้านคองเรืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็อบอกว่าเออถ้าเสียถะคนพบสัาจเจ้าไหนก็นามาบอกด้วยเด้อ มาบอกด้วยอย่าทิ่งพ่อนะก็ไปไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระศาสนาจึงเกิดวัดแรกขึ้นมานับจากวันเพ็ญเดือน8ไปถึงวันเพ็ญเดือนสมประมาณ9เดือนมีพระอรหันเกิดขึ้น 1,250 รหลูกเนี่ยนับไปดูสิททำไมได้มาจากไหน1 2 5่นรหลูกนะเพราะพูะเจ้าจำอยู่ที่ปีละวัน พระเจ้าพิสานสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเป็นนันสามภิกษุทั้งหลายที่แยกกันไปต่างไปเผยแพร่ได้ผู้รู้เติมอัญญาโกตัญญบพปัญญาหมานามะอจฉิพร้อมทั้งยาจักโกมกแก้กันไปก็ในวันเป็นนันสามดันมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดียเขาก็เคยไปร่วมกับผมเหมือนพวกเราแหะวันสงการเราไปอยู่ที่ไหนก็กลับบ้าน ไอ้วันของกินน่ะอะไรก็ก็ไปจุดจินคนก็พักผ่อนไปจุดกินกับบ้านกับช่องไหว้บรรพบุรุษแต่ที่พระอรหันเนี่ยเกิดขึ้นมาจะไปไหว้ใครมันไม่งู้หลงงมาแล้วจะไปหาใครละ่ะไม่กลับไปหาบรรพบุรุษไปทำพิธีดีตรงเล่นสงการเหมือนคนไทยเที่ยวเล่นขี่รถเล่นเที่ยวโน่นเที่ยวนี้พระอรหันเหล่านั้นอะที่เกิดจากการเผยแผ่ผลงานของ ภิกษุที่ไปเผยแผ่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะวันเป็นเดือนสามเป็นวันสําคัญของวันเป็นรีของเขาหลวงตาก็เคยไปเวียนเทียนที่สารจีเมืองลักเนาไปวันเป็นเดือนสามไหพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียกว่าวันใส่ล้ายป้ายสีเขาสนุกสนานนะใส่ล้ายป้ายสีวันสงการบ้านเราน่อเล่นมอมกันเหมือนคนโบราณมอม มันมีแป้งเอากอ้นหม้อเอามือไปเทา้าก้นหม้อดำๆไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้นเดีย๋ยวนี่ก็มีแปง้งไม่มีก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุเจ็ดสิบแปสิปีคงเห็นสมัยนั้นนะครับนี่แปง้งเอากอ้นหม้อดำๆไปปะกันนะนี่ก็เหมือนกันละ่ะสันดาเคยไปเวียนเทียนอยู่ที่ไ่นไปอยู่ที่สารขี่เราก็เล่นกันไปเซไล่ป้ายสี เขาจะมาป้ายเราสีของเขาเนี่ักไม่ออกนะหน้าก็โอ้ยเป็นเดือนจึงจะทาออกแต่ว่ามาใช้สีดำเป็นสีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรต่ า, างๆใส่เชื้อก็เขียนเลยเลยเราก็นั่งอยู่ที่วัดในาสารกีล้วก็เฮขึ้นมาใยๆมาเห็นหลวงตานั่งดู วันพูหลุดที่สร้างกระตีสร้างวัดขึ้นมาด้วยหินกติหลังนั้นที่ไปนั่งอยู่น่ะยังงดงามอยู่เลยระหว่างเสา ร, ระหว่างคือระหว่างจันทน์เป็นหินทางนั้นต่อกันในเหมือนไม่มีอะไรเลยปานีตยิ่งกว่าไม่ใช่แต่หลังคาไม่มีมีแต่เสากับคือกับจันทน์มองสวยงามที่สุดเลยระหว่างพื้นระหว่างดวดระหว่าง ชโอ้ยงามทีสุดเลยเป้ยปนั่งดูโอ้ยสองสามพันปีอ๋อใจพุทธเจ้าน่มาดูผีเหมืองคนโบราณ น, นั่งอพอดีพวกเล่นใส่ไลยไบสีขึ้นไปอาดรามาอาด้รามะอาดารามาารา ม, มันเห็นเรานึว่าองค์ได้ลยรามาได้ลรามะได้ลราม า, า, ม า, ามลุมเข้ามาหาเรเราก็นั่งหลับตาเฉยพอามาใกล้ๆแล้วก็ ยศเสียงลงเอาลื่นตาขึ้นมันก็คานเข้ามาเอาสีมาติดจีวรเราเิดหนึ่งมันก็ออกนี้ไปเออนี่ก็ดีมากนกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนก็เล่นสงการบ้านเราทุกวันเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ล่ไปเสีก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแพ่ระหว่างนับจาก เดือนเป็นเดือน8ถึงเดือนสามใก็แมน8เข้าเดือนเกิดพระหลันหนันรไปรวมกันที่ป่าเบรวนสวนเวรวนุงรา จ, จะคือเดินทางไปไปพบ พ, บพบระพิเจ้าโดยที่ไม่ได้นั ด, ดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอ้อาชจรรย์นอพระสงฆ์ที่มาน่มารวมกันไม่ได้ดัดหมายตั้ง1250รลูกล้วนเป็นพระหันทั้งหมดเลยแสดงโ อ, อวาปทปถโมก เนี่ยขณะเก้าดเดือนหนึ่งมีผลันเกิดขึ้นหนึ่งพัรหิลูกนี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริงที่ปรากฏการสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงศิงเขียนป้ายภาวนาว่าที่นี่ไม่ทุกข์เลยที่นี่ไม่ทุกข์เลยอยากแต่บอกกันนะเหมือนกับอิสิปดละพุทธเจ้าพูดคํานี้ออกมาที่นี่ไม่ทุกข์ที่ไม่บุ่นวายมาที่นี้อย่างเขียนไว้เลย ที่ไม่วนเวรอยที่นี่ไปทุกมาที่นี้อยากมันจะเกินไปเนอะก็เพียงแต่เขียนว่าปาสุกโตสถาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหมมีวัดใดที่เขียนอย่างนี้บ้างไม่มีแล้สุกโตก็เขียนลงไปท่าทางสักหน่อยสัทธาบันบางที่สถาบั น, บาาบนาาการศึกษาอะไรเป็นสถาบันอ่ะประมาณบางที่สถาบันแต่ไปสมัยก่อนสถาบันราชภัฒน์วัดเนี่ยมาเขียนสถาบันอะไรเป็นสถาบัน มีคณะอะไม่มีสาระก็ไม่มีกติก็ไม่มีสถาบันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ชีวิตจิตใจของเรามีหลักฐานอยู่ที่นี่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเรื่องของสติเอาอันนี้เป็นสาบันจบเรื่องนี้กันจบกายดูซิมีปัญหาเรื่องกายไหมใครมีปัญหาเรื่องกายยกมือขึ้นดูซิยกมือถ้าใครมีปัญหาเรื่องกายไม่มีนะไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยหิวข้าวหรือ เคยไปสอนมหาวิทยาลัยประยัาเชียงใหม่สอนบาดหลวงเขามาถามได้เลยเรามีคนเหมือนกันคนเรามีมีเหมือนกันคกายกับใจใครมีกายอยู่นี่ยกมือขึ้นดูสีอ้าวใครมีปัญหาเรื่องกายใครมีใจอยู่นี่ยกมือขึ้นดูใครมีใจเรามีใจใครมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจยกมือขึ้นดูสิเราก็ยกมือถามบาดหลวงเขาเคยแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเลยยกมือขึ้นดูซิ ไม่มีใครเรายกมืาขึ้นนี่สถาบันกองเราให้หมดจ้าปัญหาเรื่องกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายมีไหมเอาตนเอากายไปวัดกับอะไรต่างๆเราชอบเราไม่ชอบมีตนอยู่ในเวทนาเอาเวทนาเป็นตนมีไหมเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเอาจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมเพราะนั่นเนี่ยเรามาเห็นเรื่องนี้เป็นสถาบันกองเรา ยึดประกาศว่านี้สถาบันไม่ใช่ธรรมดาแล้วต้อมีปัญญาจนดั้งหลายเมื่อาึกษาเราดูพิสูจน์ลองดูชีให้สุดฝีมือเราดูทํายังไงมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่อย่างที่เราสอน่ะประครองตั้งจิตไว้มีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคือกายคือใจออกให้เห็นมันรูก้กายจกว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตอนเราของฐานกรรมฐานอยู่ตรงนี้ กรมาฐานตั้งย่ยตรงนี้ไม่ใช่เอาหนังสือตำรามาเรียนหนังสือตำราคือกายคือใจเราสติเป็นนักศึกษาเข้าไปศึกษาให้มันจบซะจนพูดออกมาว่าจบแล้วเหมือนพระเจ้าจบเรื่องนี้เมื่อวานนี้จบจริงๆพริงตรงยิงตัดออกมาอุทานออกมาว่าชาติจิ้นแล้วพงไม้จันอยู่จบแล้วคิดอื่นที่ต้องทำไมมีอีกแล้วในโลกเนี้ยภาระปัญหาเรื่องกายเรื่องใจ ไม่มีหล้วหมดลงปงไว้ได้ตัดจลุลอนุตระสัมมาสัมโพธิญาในเมื่อคืนตอนลูกเช่าเมื่อวานนี้เกิดขึ้นมาแล้วพร้อมทั้งบธรรมที่ทรงแสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงในเรื่องนี้มาตลอดแล้วใครบ้างที่พิจู์เรื่องนี้กันในคนไทยมีบ้างไหมที่มีสติหนึ่งวันสองวันต่อนเนื่องกันมีไหมสองชั่วโมงมีไหมหนึ่งชั่วโมงมีไหม สามถีตนาทีมีไหมถ้ายัางไม่มีก็ควรอย่างยิ่งพวกเราจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นอาจารย์ขอเป็นเพื่อนในเรื่องนี้กันจะไม่พาหลงทิศหลงทางแต่ว่าตั้งฐานไว้ชนิมีสติอย่าเข้าไปเป็นกับอะไรมันสุขก็อย่าเป็นมันผู้สุขมันทุกข์ก็อย่าเป็นผู้ทุกข์เรื่องสุขเรื่องทุกข์พรากายเพราะเวทนาเพราะจิตเพราะธรรมอย่าให้เป็นอย่าให้รสชาติมัน มีสติอย่างเดียวรู้จึกรู้จึกเข้าไปภาษาพระเจ้าสอนว่าก า, ายจะว่ากายไม่ใช่จัดปุกคลตัวตนเราเขาเฮ้ยว่าเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหมเวทนาคือวันฉุกเปนทุกข์ก็ไม่ใช่จัดปุกคลตัวตนเราเขาจิตวันจิดโดนจีนีก็ไม่ใช่จัดปุคคลตัวตนเราเขาเคยสอนเคยกลับไปอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นไมกรนมันเลยเรื่องขอกายเอามาเป็นสุกเป็นทุกข์ เรื่องของเวทนามันเป็นโุกเป็นทุกข์ไปแย่งกันไปข่มขืนเอาไปเชื้อเอาพ้นเอามาข้าวาความโุกของเรามันเป็นความทุกข์ของเขาแต่ว่าเป็นความโุขของเราก็เอาอันนั้นก็ไปถูกจะเว้ไปแล้วยังเอาลู่หงนี้พี่สูจกันลองดูให้สุดฝีมือเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆแม้ตัวปฏิบัติก็อย่าไปเชื่ออ่านความลู่ห่ังนี้ อาจารย์ก็หลอกลูกจีบไป่ได้ลูกจีบก็หลอกไปได้เชราะเรามือวางไว้บนเขาน่ะเมื่อเราเยอยู่ไหนพลิกมือขึ้นเราใครเป็นคนลู่เรารู้เองเรารู้เองใครจะมาว่ า, ามือเราอยู่ที่อื่นเราไม่เชื่ อ, พอเพราะรู้จึกตัวมืออยู่ตรงนีนยกมือขึ้นเราก็ลู่ไม่ใครบอกว่ามือของคนวางอยู่ไม่มีใารเชื่อวางมือลงเราก็ลู่มันคิดไปโน้นมันหลงเรารู้เองมันลู่ผมรู้จึกตัวเราชั่งกันว่ามันควมหลงหมดไปเรารู้เอง สัมบัติความรู้ความหลงลองดูมันจะเป็นอย่างไงเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลามันโกรธรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไงเรียกว่าฐานเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ากลับมากลับมาภาวนาคือขยันรู้ไม่ใช่มานั่งคิดหาเหตุหาผลภาวนาคือขยันรู้